กุศลเจตนาจิตที่ได้ร่วมเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานย่อมเกิดประโยชน์มีคุณค่าไม่มีประมาณแห่งปัญญาธรรมแก่ผู้ให้ทานด้วยกันทุกท่านเถิด